พระเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่ากามฉันทะเป็นสิ่งที่ละได้ยากอย่างยิ่งทั้งนี้ก็เพราะกามฉันทะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมากกับร่างกายคล้ายกับความหิวซึ่งตราบใดที่คนเรายังมีร่างกายอยู่ความหิวจะต้องมีอยู่เสมอกามฉันทะก็เหมือนกันตราบใดที่คนเรายังรักร่างกายอยู่ยังกลัวตาย การมฉันทะจะละให้เด็ดขาดจริงๆย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากจะบรรเทาให้น้อยลงหรือกล่อมเกลาให้ดีขึ้นเท่านั้นหลักธรรมมีอยู่ว่าคนที่จะละการมฉันทะได้เด็ดขาดจะต้องเป็นพระนาคามีและผู้ที่เป็นพระนาคามีนั้นเมื่อตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดเป็นคนอีก จะเป็นโอปปาติกาตลอดไปจนกระทั่งเป็นพระอราหันต์ขอให้สังเกตว่าพระนาคามีเป็นผู้ที่เบื่อกายเนื้อจริงจงจนกระทั่งไม่ปรารถนาที่จะมีกายเนื้ออีกต่อไปแต่ก็ปรารถนาที่จะมีนามรูปมีชีวิตมีตัวตนเพราะฉะนั้นจึงยังต้องเกิดอีกและขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคนที่ยังเป็นห่วงตัวเอง เชกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวจะไม่สวยกลัวคนอื่นจะไม่สนใจอะไรทํานองนี้ก็แปลว่าคนนั้นยังละ ก, กามาฉันทะไม่ได้หรือคนไหนยังบังคับตัวเองไม่ได้ในอันที่จะให้ทําอะไรตามเหตุผลที่เกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่การแต่งตัวการเข้าสังคมหรืออะไรก็ตามซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างกาย ยังปล่อยวางในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็แปลว่ายังละ ก, กามฉันทะไม่ได้กามฉันทะจะมีมากหรือมีน้อยก็ให้สังเกตดูจากการกระทาในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายว่ามีเหตุผลมากน้อยเพียงไรปล่อยวางได้เพียงไรอันหนึ่งสภาพของร่างกายย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดกามฉันทะอย่างใกล้ชิดเช่นเด็กทารก ซึ่งอวัยวะในทางเพศยังไม่เจริญเติบโตรหรือยังไม่สมบูรณ์สมองยังไม่สมบูรณ์คนที่แก่แล้วเรียวแรงไม่ค่อยมีหรือคนที่เจ็บป่วยสำหรับคนที่มีร่างกายอยู่ในสภาพอย่างนี้เราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าก้ามฉันทะาอ่อนกำลังหรือยังไม่ค่อยจะปรากฏชัดไม่แสดงตัวออกมามากแค่ด้วยข้อสังเกตเหล่านี้เอง การที่จะบรรเทากามฉันทะหรือยั่วยุกามฉันทะให้มีความรู้สึกรุนแรงจึงอาจจะทําได้โดยวิธีทางอาหารหรือทางยาส่วนสิ่งแวดล้อมถึงแม้จะมีผลทําให้กามฉันทะหรือทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาก็ได้นั้นนั่นยังไม่สําคัญเท่ากับสิ่งเราซึ่งมีอยู่ในร่างกายของคนเช่นจังพวกฮอร์โมนต่างๆอย่างนี้เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่ากามฉันทะไม่ใช่มีความหมายที่เกี่ยวกับในเรื่องเพศเท่านั้นความอยากกินอยากเที่ยวอยากสนุกอยากจะแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะดูหนังดูละครโดยที่สุดแม้ความพอใจในดอกไม้หรือธรรมชาติต่างๆสําสหรับปุ้ทุชนแล้วความพอใจเหล่านี้คือกามฉันทะทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น เราจะต้องตั้งข้อสังเกตให้ดีว่าเด็กก็ดีคนแก่ก็ดีหรือคนที่กำลังเจ็บป่วยก็ดีแม้ว่ากามาฉันทะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศจะไม่รุนแรงหรือไม่แสดงตัวออกมาอย่างเห็นได้ชัดก็จริงแต่กามาฉันทะก็จะแสดงออกในรูปอื่นเช่นชอบกินชอบเล่นและขอให้เราสังเกตว่า ถ้าเด็กคนไหนบังคับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการกินการเล่นให้เป็นไปตามเหตุผลไม่ได้เลยเมื่อต้องการจะเอาอะไรถ้าไม่ได้ก็โกรธอย่างรุนแรงหรือชอบรังแกคนอื่นชอบเอาเปรียบคนอื่นของของตัวเองไม่ยอมให้ใครเด็กที่มีนิสัยแบบนี้เมื่อโตขึ้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าความรู้สึกในทางเพศจะเป็นไปอย่างรุนแรง ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ทำตามเหตุผลไม่ค่อยได้คนเจ็บที่คอยเอาแต่ใจตัวเองซึ่งทำให้คนพยาบาลต้องลำบากโดยไม่จาเป็นคนแก่ที่เอาแต่ใจตัวเองก็เช่นเดียวกันพวกนี้เป็นพวกที่มีการฉันทะรุนแรงและไม่อยู่ในเหตุผลคนที่เป็นห่วงตัวเองมากเช่นกลัวตายมากหรือคนเท่าคนแก่ที่อยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องมีลูกหลานคอยเอาใจอยู่เสมอก็เช่นเดียวกันคือพวกที่มีกามาฉันทะรุนแรงและไม่เคยอยู่ในเหตุผล ส, สิ่งหนึ่งที่ควรจะตระหนักให้มากก็คือกามาฉันทะหรือจะเรียกว่ากามราคะกามาตัญหาซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกันนั้นกิเลสเหล่านี้เป็นอาสวะคือเป็นกิเลสที่ฝังอยู่ในสันดานอย่างลึกซึ้ง และก็เกิดอยู่เสมอในจิตสานึกความรักตัวเองเป็นห่วงตัวเองความกลัวตายกลัวเจ็บกลัวไม่มีกินไม่มีใช้ตลอดถึงความเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวไม่ได้กลัวนั่นกลัวนี่ความรู้สึกทั้งหมดที่ว่านี้ล้วนแต่เป็นการแสดงออกของกามฉันทะทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอย่าหลงผิดว่า เด็กๆหรือคนแก่หรือคนเจ็บจะไม่มีการมาฉันพระหรือมีแต่ว่ามีน้อยเพราะไปมองแต่ในแง่ของเทศอย่างเดียวอันนี้ต้องระวังให้มากเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกในเรื่องเทศนั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่แสดงออกหรือแสดงออกไม่มากเพราะสภาพของร่างกายยังเป็นเด็กหรือเพราะเจ็บหรือเพราะแก่ก็าตามอย่าได้เข้าใจผิดว่า ความรู้สึกในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นในขณะที่มันไม่ค่อยแสดงออกก็เพราะในสันดานมีน้อยความจริงไม่ใช่เช่นนี้คนแก่ที่มีความรู้สึกในเรื่องนี้เหลือน้อยแล้วในเมื่อเขาตายแล้วกลับมาเกิดเป็นคนอีกเราก็จะพบว่าเขามีความรู้สึกในทางเพศรุนแรงเกิดขึ้นมาอีกเหมือนกับที่เคยเป็นมาแล้วในชาติก่อน แต่ถ้าหากคนไหนได้พยายามกล่อมกลาวกิเลสอันนี้ให้เบาบางลงและให้มีเหตุผลมากขึ้นซึ่งถ้าเขาทำได้ดีเมื่อตายแล้วกลับมาเกิดอีกเมื่อถึงวัยหนุ่มหรือวัยสาวความรู้สึกที่ว่านี้ก็จะไม่รุนแรงเหมือนในชาติก่อนๆซึ่งตรงกันข้ามกับคนบางคนที่ไม่ได้สนใจในอันที่จะควบคุมหรือละ ก, กิเลสอันนี้ มีชีวิตอยู่ได้การตามใจตัวเองพราะแก่ตัวเข้าร่างกายอ่อนแอรเรียวแรงไม่มีความรู้สึกในทางนี้ก็เลยอ่อนไปด้วยนั้นสำหรับคนประเภทนี้กิเลสในสันดานไม่ได้น้อยลงบางทีอาจจะเพิ่มหนาขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้าถ้าหากเป็นคนที่ปล่อยตัวและตามใจในเรื่องเหล่านี้หมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องเหล่านี้มาตลอด เมื่อมาถึงวัยแก่แม้ความรู้สึกในทางนี้จะน้อยก็จริงแต่นั้ น, นไม่ได้หมายความว่ากิเลสในสัญด่างจะน้อยลงคนที่ตามใจตัวเองอยู่เสมอกิเลสจะไม่น้อยลงแต่มันจะมากขึ้นโดยลำดับและกิเลสอันนี้จะแสดงให้เห็นอย่างชาัดเจนว่ามันมีมากกว่าเดิมก็ตอนที่เมื่อตายแล้วกลับมาเกิดเป็นคนใหม่พอ ถ, ถึงระยะเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาว ความรู้สึกในทางนี้จะรุนแรงกว่าในชาติก่อนในขณะที่มีอายุเท่าๆกันสภาพของร่างกายก็ดีสภาพของสิ่งแวดล้อมก็ดีในบางครั้งที่ช่วยทำให้กามาฉันทะสงบไม่ให้เกิดยังรุนแรงหรือในบางครั้งอาจทำให้ความรู้สึกในทางกามาฉันทะเหือดแห้งไปเช่นในขณะที่เราพบสิ่งที่น่ารังเกียจ หรือสิ่งที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวในตอนนี้ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเพศอาจจะเหือดแห้งคล้ายกับว่ามันจะหมดไปจากสันดานแต่ความเป็นจริงแล้วมันเพียงแต่สงบชั่วคราวเท่านั้นและในตอนที่มันสงบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหลือน้อยกิเลสจะเหลือน้อยหรือเหลือมาก โดยปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาพของร่างกายและสิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่มันเกี่ยวกับโครงสร้างหรือความเป็นไปของจิตใจในส่วนลึกมากกว่าโครงสร้างของกามฉชันทะกามฉันทะหรือกามราคะหรือกามตัญหากิเลสเหล่านี้เกิดมาจากอวิชชาประกอบด้วยอวิชชาเกิดมาจากอุปาทานประกอบด้วยอุปาทานพูดง่ายๆว่า ถ้าหากคนเรายังไม่รู้จักชีวิตภายในซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตภายนอกคนเราก็จะมาติดอยู่ที่ร่างกายเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งสำคัญจะรักและหวงแหนร่างกายมากที่สุดอยากจะมีตัวตนในสภาพของกายเนือ้อย่างเหนียวแน่นและอย่างลึกซึ้งที่สุดจะพยายามยิ่งรนแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อความเป็นอยู่อันสะดวกสบายและปลอดภัยของกายเนื้อซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เขาจะไม่รู้สึกหรือมองไม่เห็นถึงชีวิตภายในเลยเหมือนกับคนที่ตาบอดมาแต่กําเนิดและบอดอย่างสนดิบซึ่งเขาย่อมจะไม่รู้จักร่างกายของเขาว่ามีรูปร่างผิวพรรณสั้วทรงเป็นอย่างไรเขารู้แต่เพียงว่าเขามีร่างกายแต่ไม่ทราบว่ารูปร่างเป็นอย่างไร ในทํานองเดียวกันคนส่วนมากรู้แต่เพียงว่าร่างกายเอากําเนิดมาจากพ่อแม่จเจริญเติบโตมาจากอาหารและร่างกายจะดํารงชีวิตอยู่ได้ก็จะต้องอาศัยอาหารและสิ่งอื่นอีกหลายอย่างเขาไม่รู้สึกเลยว่าชีวิตนี้เอากําเนิดมาจากวิญญาณซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนอกจากร่างกาย และวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายพร้อมกับร่างกายคนเราจะเกิดมาเป็นอย่างไรปัญตสอคัญอยู่ที่สภาพของวิญญาณความจริงในเรื่องเหล่านี้เขาไม่รู้เลยความไม่รู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้แหละที่เรียกว่ า, าวิชาและเมื่อไม่รู้แจ้งอย่างนี้เขาก็ย่อมจะมีความยึดมั่นอยู่ในร่างกายยึดถือเอาร่างกายว่าเป็นตัวเราหรือของของเรา จุดศูนย์กลางของความดิ้นรนทุกอย่างก็เพื่อร่างกายความยึดถือร่างกายในลักษณะนี้ซึ่งเป็นการยึดถือด้วยการเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าอุปาทานขอให้สังเกตว่าเมื่อคนเรามีอวิชชาและอุปาทานดังที่กล่าวมาความพอใจหรือความอยากได้ต่างๆก็จะเป็นไปแต่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ต, ต่างๆ พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกื้อกูลให้ร่างกายมีความเป็นอยู่สะดวกสบายและพอใจในความสุขความสำราญที่เกิดจากการได้วัตถุต่างๆสมความปรารถนาและโดยธรรมดาความสุขที่คนเราติดกันมากที่สุดก็คือความอร่อยของอาหารและความรู้สึกเพลิดเพลินในเรื่องกามารมณ์ความรู้สึกอร่อยในเรื่องอาหาร คนเราติดมากที่สุดก็เพราะทุกคนรักชีวิตได้รู้อยู่ว่าชีวิตจะดำรงอยู่ได้จะต้องอาศัยอาหารและความต้องการอาหารก็มีอยู่เสมอในเวลาที่เกิดความหิวความต้องการอันนี้ก็จะมีอย่างรุนแรงและถ้าได้รับประทานอาหารในเวลาที่กําลังหิวก็จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะรับประทานอะไรจะรู้สึกอร่อยทั้งนั้นเพราะฉะนั้น จึงมีพาสิทธ์ว่าความหิวเป็นรถอันเลิศและขอให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์จะรู้สึกอร่อยก็เฉพาะแต่ในอาหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือเป็นสิ่งที่ร่างกายย่อยได้เอาไปใช้ได้ส่วนอาหารอันใดร่างกายย่อยไม่ได้อาหารอย่างนั้นจะรู้สึกว่าไม่อร่อยกินเข้าไปไม่ได้และด้วยเหตุนี้เอง เมื่อควายได้กินหญ้ามันก็จะรู้สึกอร่อยแต่เสือหรือสัตว์อื่นซึ่งไม่เคยกินหญ้ามันก็จะกินไม่ได้เพราะไม่รู้สึกอร่อยหรือมีรสอร่อยในการกินคนเราก็เหมือนกันสิ่งใดที่ร่างกายย่อยไม่ได้ก็จะไม่รู้สึกอร่อยกินเข้าไปไม่ได้ความอร่อยหรือไม่อร่อยซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเราติดกันมากที่สุดอันนี้ขอให้สังเกตดูให้ดีว่า เพราะมันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของร่างกายและคนเรารักร่างกายมากที่สุดและทุกคนก็รู้ดีว่าร่างกายจะมีชีวิตอยู่ได้จะต้องอาศัยอาหารเพราะฉะนั้นตราบใดที่คนเรายังมีชีวิตก็ยังต้องการอาหารเพราะแม้แต่พระราหันก็ยังมีความหิวถึงแม้ว่าความรักในชีวิตจะไม่มีเหลืออยู่แล้ว แต่ความต้องการที่จะดำรงชีวิตเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ยังมีอยู่ส่วนความวิตกกังวลความเป็นห่วงตัวเองเกี่ยวกับเรื่องร่างกายไม่มีและอีกประการหนึ่งเป็นเพราะพระราหารันละตันหาทุกอย่างได้หมดซึ่งเมื่อละตันหาได้หมดการติตในรสของอาหารก็ย่อมจะไม่มีส่วนปุถุชนมีทั้งความรักชีวิตมีทั้งความหิว เพราะฉะนั้นการติดอยู่ในรถของอาหารจึงได้มีอยู่อย่างลึกซึ้งการที่คนเราติดอยู่ในรถของอาหารอย่างลึกซึ้งและละได้ยากทั้งนี้ก็เพราะมันเกี่ยวข้องกับความรักในชีวิตและเกี่ยวกับตัวเองยังมีตันหาในด้านอื่นๆ อ, อีกมากมายเมื่อตันหายังมีอยู่ในสันดานก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความบริสุทธ เกิดจากความสงบและปัญญาที่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็มีน้อยมากในสันดานยังคงเต็นไปด้ยวยอวิชาและอุปาทานต่างๆนี่คือโครงสร้างหรือส่วนประกอบของกาลมฉันทะในเรื่องเกี่ยวกับอาหารแต่ถึงกระ น, นั้นโครงสร้างที่ว่านี้ก็ยังไม่ลึกซึ้งเท่ากับความพอใจรักใคร่ในเรื่องรสของกามที่เกี่ยวกับทางเพศทั้งนี้ก็เพราะ โดยสันดานอาลึกซึ้งคนเราอยากมีชีวิตอยู่เสมอแม้ตายแล้วก็ยังอยากมีชีวิตและทุกคนย่อมรู้อยู่ว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องตายและสิ่งที่จะทดแทนตัวเองหลังจากตายก็คือลูกหลานความอยากที่จะมีลูกก็คือความอยากที่จะไม่ให้ตัวตนของตัวเองต้องสูญไปนั่นเองความรู้ในเรื่องเหล่านี้ ขอพิจารณาดูจากพืชและสัตว์เราจะเห็นว่าพืชทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดแม้มันจะอธิบายเหตุผลไม่ได้และไปรู้เสียด้วยซ้ำไปว่าทําไมจึงต้องมีการสืบพันธุ์แต่ถึงกระ น, นั้นพืชทุกชนิดสัตว์ทุกชนิดก็รู้จักวิธีสืบพันธุ์โดยสัญชาตญาณเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่พืชและสัตว์ต้องทําอยู่เสมอ ซึ่งนับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็คือการกินและนอกจากการกินแล้วก็คือการสืบพันธ์ความอยากกินความพอใจในการกินความอยากสืบพันธ์ความพอใจในการสืบพันธ์ความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้มีความรุนแรงพอๆกันและทั้งสองอย่างนี้ย่อมมาจากสาเหตุอันเดียวกันคือความหลงผิดที่เข้าใจว่า ร่างกายที่เกิดมานั้นหรือที่มันมีอยู่นั้นคือตัวเขามันคนเราก็เหมือนกันถ้าหากยังเป็นปุถุชนอยู่ก็จะหลงยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือของของเราความยึดมั่นในร่างกายจะเป็นไปอย่างเหนียวแน่นที่สุดความรักลูกที่เป็นไปอย่างลึกซึ้งก็เพราะมันเป็นความรักที่ถอดแบบออกมาจากความรักตัวเองโดยสัญชาตญาณ ทุกคนจะรู้สึกว่าแม้ร่างกายของเราจะต้องตายแต่เมื่อลูกยังอยู่ก็คือตัวเรายังอยู่สัญชาตญาณอันนี้ย่อมมีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นพืชความอร่อยที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารก็ดีหรือความสุขสำราญอันซาบซึ้งที่เกิดจากการสืบพันธุ์ก็ดีทั้งหมดนี้มันมีรากอยู่ที่ความรักชีวิตความอยากมีตัวตน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้กล่าวมาแล้วว่าตราบใดที่คนเรายังกลัวตายยังวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนั้นย่อมหมายถึงว่ากามฉันทะหรือกามราคะหรือกามตัณหายังจะต้องมีอยู่เสมอพระอนาคามีเป็นผู้ที่ละ ก, กามาฉันทะได้โดยเด็ดขาดขอให้สังเกตว่าตามหลักวิชาในเรื่องนี้ พระพุทธเจา้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าผู้ที่เป็นพระนาคามีจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตลอดไปทั้งนี้ก็เพราะท่านเบื่อในการมีร่างกายแบบมนุษย์ซึ่งท่านรู้สึกอยู่เสมอว่าการมีชีวิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์นั้นก็ไม่ผิดอะไรกับการอยู่กับซากศพตลอดเวลาและยังจะมีโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียดเบียนอยู่เสมอ ความแข็งแรงความมั่นคงความมีอายุยืนซึ่งในเมื่อเทียบกับกายทิพย์ซึ่งท่านจะต้องได้รับหลังจากตายจากมนุษย์นั้นท่านก็รู้สึกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะสภาพของร่างกายที่เป็นทิพย์นั้นแข็งแรงกว่าสมบูรณ์กว่าอายุยืนมากกว่าและเป็นร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ และการที่จะบริหารหรรักษาก็ไม่มีความยุ่งยากแต่ประการใดไม่มีภาระในการทำมาหากินหรือหาที่อยู่หาเสื้อผ้าอะไรต่างๆเพราะทุกอย่างในโลกนี้เกิดจากใจทั้งสิ้นจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายทุกอย่างไปได้รวดเร็วเท่ากับใจนึกพร้อมทั้งสมองและสติปัญญาก็จะพิเศษกว่ามนุษย์ทุกอย่าง เพราะเหตุที่ท่านได้มองเห็นความจริงอย่างนี้ท่านจึงได้เบื่อกายเนื้อไม่ปรารถนาที่จะมีกายเนื้ออีกต่อไปและในเมื่อความรู้สึกรักกายเนื้อรักชีวิตในแบบนี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วท่านก็ได้รับความสุขอันสดชื่นที่เกิดจากการละกิเลสได้ความสุขอันนี้ทดแทนความสุขที่เกิดจากกามฉันทะได้ทุกอย่าง มันเหมือนกับว่าเมื่อเราได้รับประทานอาหารที่อร่อยกว่ามีคุณค่าดีกว่าเราก็ย่อมจะเบื่ออาหารอย่างเก่าซึ่งมีความอร่อยและมีคุณค่าน้อยกว่าอาหารอย่างใหม่หลากวิชาต่างๆดังที่กล่าวมานี้หวังว่าคงจะทำให้ท่านเข้าใจได้อย่างดีว่าทำไมปุถุชนจึงละ ก, กามฉันทะได้ยากที่สุด